ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องความนอบน้อมโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่6มิถุนายน2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบันนีค่ะ ก็เริ่มว่าเมื่อครั้งที่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างพระวิหารเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาจึงเสด็จออกจากนครราชคฤห์ถึงนครเวสาลีประทับอยู่ในนครเบสาลีนั้นตามความพอพระทยัยนี่นี่สองเบอรแล้วนะตอนแรกแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่กรุงราชคฤห์ เสร็จแล้วก็อนาถาบิจิกาเศรษฐีปนิมนต์ใช่ไหมก็เลยมาที่เวสาลีก็สร้างนั่นไงอนาถาสร้างพระวิหารเสร็จแล้วทรงดำริว่าเราจะไปยังนครสาวัตถีจึงเสด็จดําเนินไปคือพระเจ้าทั้งกานก่ยนะอยู่คงจะแบบว่าอะไรอะเฉลิมฉลองพระวิหารเสร็จแล้วอะ นะอยู่จนพอพระทัยแล้วท่านก็นจะเสด็จต่อไปที่นครสาวัตถีสมัยนั้นคือพอพระเจ้าท่านดำร่ว่าจะไปนครสาวัตถีใช่ไหมลูปอื่นๆก็จะมีแต่ว่าติดตามไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างสมมุติว่าพ่อท่านจะเดินทางไปอุบลอะไรเงี้ยนะบางทีภิกษูอื่นหรือว่าพวกเราเนี่ยญาติธรรมอื่นๆก็เตรียมไปกันบ้างอะไรเงี้ยตามไปเอง สมัยนั้นอันเตวาสิกมาอีกแล้วอันเตวาสิกคืออะไรลูกศิษ ย, ย์นะอย่าลืมนะอ๋ออะไงลองดู ส, สิสมัยนั้นอันสมัยนั้นอันเตวาสิก ท, ทั้งหลายของภิกษุชับ พ, พักี พากันล่วงหน้าไปไปถึงก่อนนะอันเตบาสิกก็คือลูกศิษย์ของพระชาวปกกีเนี่ยเดินทางไปก่อนแล้วพากันจับจองเสนาสนะหอบหวงไว้ด้วยการพูดว่าเสนาสนะนี้จะเป็นของอุปชาของพวกเราเ ส, เสนาสนะนี้จะเป็นของพวกเราเท่านั้นปรากฏว่าลูกศิษย์ของชาวปกกีเนี่ยไปถึงก่อนแล้วก็ไปจองที่ก่อนหมดเลย เสนาสนะนี่คือที่พักที่อาศัยอาจจะเป็นกุฏิอาจจะเป็นเรือนโลนเรือนล่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะพอไปถึงก็จับจองไว้ก่อนเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ของของพวกนี้คือพระชาวพัคีนี่ยังไปไม่ถึงนะแต่รูปสิบไปก่อนแล้วไปจองไว้ก่อนเลยพระเถลราทั้งหลายที่มาภายหลังจึงไม่ได้เสนาสนะ อันเตวัสิก ท, ทั้งหลายแม้ของภาษาลีบุตรเถระพากันสแสวงหาเสนาสนะเพื่อพระเถระแต่ก็หาไม่ได้นะปรากฏว่าลูกศิษย์ของภาษาลีบุตรเนี่ยไปทีหลังใช่ไหมก็พยายามที่จะหาให้อาจารย์เหมือนกันจะหาให้ภาษาลีบุตรเหมือนกันแต่หาไม่ได้ภาษาลีบุตรเถระเมื่อไม่ได้เสนาสนะจึงพักอยู่ด้วยการนั่งและการเดินจงกรมที่โคนไม้แห่งหนึ่ง ในที่ไม่ไกลจากเสนาสนะของพระศาสดานั่นเองหมายความว่ายังไงฮะไม่มีที่พักแล้วก็เลยนั่งมั่งเดินจงกรมมั่งใกล้ๆกับพูดง่ายๆว่าใกล้ๆกับที่พักของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เท่ากับว่าตลอดคือ น, นั้นเท่ากับเท่ากับไม่ได้นอนเลยจําได้ไหมเรามีคําพูดหนึ่ง ที่เราใช้ภาษาว่านอนด้วยอะไรนะถ้านั่งถ้ายืนหรือว่าถ้าเดิน เ, เรียกอะไรเรียกเนสัตชีนานภาษาลิบุตรเนี่ยนี่ไม่ใช่เนสัตชินะนี่เรียกว่าไม่นอนเลยนะเพราะว่านั่งก็ไม่ได้หลับถ้าเนสัตชินี่ยังนั่งหลับนะหรือว่ายืนยืนเงีย้ยยืนพิงกําแพงหลับ นั่นยังหลับเนสชิยังหลับคือเท่าๆที่คํำจากัดความนี้เน่ยนะที่เราเคยพูดคุยกันเนี่ยยังหลับนะยังพักเพียงแต่ว่าไม่พักในท่านอนเท่านั้นเองแต่จะพักในท่านั่งท่าเดินท่า ย, ยืนใครเดินพักได้ก็เก่งนะคือ <c ười> ใครเดินหลับได้ก็โอ้ยี่ยมมีม <c ười> ใครเคยบ้างะอะออต้องเคยบ้างแหละแหม มีแล้วขนาดบางทีสมณะบินทะบายยังเผลอๆเลยเอาถ้าบางทีนะบางทีแบบเปรี้ยมากๆอะนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาบางทีเดินบินทาบาทยังหายไปไหนไม่รู้เดินๆอยู่อันจริงๆนะมันก็เดินไปเดินไปด้วยกันอยู่นะแต่มันมันหายไปอะเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรอะพวกขับรถอะเออพวกหลับในเงี้ยครับขบเอามาหายไปไหนก็ไม่รู้นะถนนถนนหายไปไหนหมด น่าก็จับพวงมาลัยอยู่เงี้ยน่ามันก็มองทางอยู่อย่างเงี้ยแต่มันหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นบางทีพวกที่หนักๆมากๆอ่ะน่มันมันง่วงมากๆอะไรมากๆเป็นเพียงดี๋ยว่าจะรู้ตัวหรือเปล่าหรือแล้วก็ไม่สนใจมันหรือเปล่านั่นเองไอตอนหายไปไม่รู้หรอกมันรู้ตอนที่เอ่อตอนที่มันได้สติมาแล้วว่าเอ๊ะเหล็กี้มันหายไปไหนคือมารู้ทีหลังนะ ถ้าใครรู้ตอนที่มันหายปั๊บแสดงว่าคนนั้นยังไม่หลับยังไม่หายส่วนใหญ่เนี่ยมันหายไปไอตอนหายไปเนี่ยไม่รู้มารู้อีกทีหนึ่งเออเหล็กนี้นี่หายไปเนี่ยหายไปนานแค่ไหนนะจริงๆสังเกตดูก็แล้วกันเพราะนั้นมันจะขาดสติไปถ้าถ้าใครวัยหน่อยก็บางทีมันก็แค่วุบไปเท่านั้นเองแต่ถ้าใครไม่ไวัยเนี่ยมันอาจจะนานบางทีเท้าเนี่ยก้าวอยู่เนี่ยแหละ เท้เนี่ยก้าวอยู่ทําอะไรอยู่อั น, นมายังจําได้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยเป็นนักศึกษาพอดีเนี่ยต้องเร่งงานส่งอาจารย์เขานะแล้วเขาต้องต้องวาดภาพสีน้ํามันอะไรพวกเนี้ยส่งอาจารย์ทนนี้เพื่อนทําไม่ทันก็เลยช่วยเพื่อนทําทํากันทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะอีกรุ่งอีกของอีกวันหนึ่งเนี่ยจะต้องส่งไม่เสร็จไม่ได้ต้องเสร็จเดทไลน์แล้วเขาเรียกว่าไม่มีเกินวันนั้น ทำกันทั้งคืนเลยนะไอ้ทั้งวันแล้วก็โอ้โหคืนต่ออีกเพราะว่าไม่ได้พรุ่งนี้เช้าต้องส่งอาตะมาก็ว่าให้เพื่อนเนี่ยไหวไปเนี่ยนะมือเนี่ย ป, ปัดไปปัดมาแต่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โมันหลับในอะ่ะหลับในแต่มือยังทําอยู่เลยมือยังปาดอยู่นะก็ปัดไปอย่างเงี้ยแต่มันหลับไปแล้วพอมีสติขึ้นมาทีก็โอ้บางทีแปลงหลุดแล้วบอกว่าโอ้มันหลับมันเป็นอย่างเงี้ยนะหลับใน นั้นตอนนี้ภาษาลิบุตรก็เหมือนกันท่านก็ท่านแบบว่าท่านก็เดินจงกลมแล้วก็นั่งเอาโดยที่ไม่นอนเลยไม่ได้หลับเลยตอนนี้พอในวันรุ่งขึ้นในเวลาใกล้ลุ่งพระศาสดาเสด็จออกมาโดยทรงพระกาสะรู้ไหมกาสะคืออะไรอะไรนะอ๋อมาของค้องผ้ากาสาวพัทอ๋อเข้าใจเดานะแต่ไม่ถูก เอฮะทรงคือพูด ง, ง่ายๆว่าพระเจ้าเนี่ยท่านมีที่พักนะมีเสเสนาสนะเป็นที่พักอยู่วันเช้ามืดเนี่ยตะวันยังไม่ขึ้นเลยมันใกล้ลุ่งนะแต่ว่าฟ้ายัางไม่สางนะท่านก็ออกมาจากกุดสมมุติว่าเป็นกุดแล้วกันท่านก็ออกมาจากกุดพอออกมาเสร็จแล้วก็ก็เอ้มันมีคนอยู่นะแต่ท่านก็ไม่รู้ใครหรอกเพราะว่ามันยังมือดอยู่ท่านก็เลยพกาสักคือ ก็แอมอเสร็จแล้วยังไงพอก็แอมไอพระเถระก็แอมไอขึ้นลับภาษาลีบุตรก็เลยกอมไอขึ้นรับมันเหมือนกับอะไรอ่ะเอ่อมันเหมือนกับซิกแนวเหมือนก็ส่งสัญญาณอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเคยสังเกตไหมบางทีพ่อท่านตอนที่ก่อนจะสวดมนต์สังเกตไหมในเทศกาลน่าอะไรเงี้ยคือแทนที่จะพูดว่า อาพวกเราเตรียมตัวสวดมน์นะคือไม่ต้องพูดใช่ไหมบางทีแค่ส่งทิศแนวหน่อยแค่เนี้ยส่งสัญญาณหน่อยก็รู้แล้วว่าเออเตรียมตัวนะให้ให้ฉลาดบางทีไม่จำเป็นเลยที่จะต้องคอยบอกคอยอะไรเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราสังเกตดูจะรู้ว่าบางทีท่านใช้อย่างเงี้ยสัญลักษณ์หรือว่าอะไรนิดหน่อยก็รู้แล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่จาเป็นต้องต้องพูดยาวๆอะไรเงี้ย แหมจะต้องมาเตือนเป็นเด็กให้หัดสังเกตนะเพราะถ้าเราหัดสังเกตแล้วเราก็จะรู้จะสังเกตด้วยตาหรือว่าจะสังเกตด้วยด้วยหูก็แล้วแต่ตอนนี้พอก็ะแอมไเสร็จก็อ้าวมีคนรับมาใช่ไหมพระเจ้าท่านก็เลยถามนั่นใครภาษาลีบุตรกราบทุนว่าข้าพระองค์สาลีบุตรพระเจ้าค่าพระาศาสดาตรัสถามว่าสาลีบุตร เธอมาทำอะไรอยู่ที่นี้ในเวลานี้ภาษาลีบุตรนั่นจึงกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเมื่อภาษาสดาได้ทรงสดับคำของภาษาลีบุตรแล้วทรงลำพึงว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายยังไม่เคารพไม่ยาเกรงกันและกันเมื่อเราปรินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายจะทาอย่างไรกันเล่าท่านทรง เกิดเนี่ยเกิดทำมาสังเวทขึ้นบอกอะไรนี่ขนาดเรายังอยู่เลยนะเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสไอ้ท่านคิดเนี่ยว่านี่ขนาดเรายังอยู่นะโอ้โหภิกษูยังแบบว่ามาอะไรหอบหวงที่นะพวกลูกศิษย์เนี่ยมาหอบหวงที่เอาไว้แล้วก็ให้แต่อาจารย์ของตัวเองไม่ให้ไม่ให้พระเถระอื่นเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่ง พระเถระที่ถือว่าเป็นอักราศาวกนะเบื้องขวาโอ้โหไม่มีที่หลับไม่มีที่นอนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกโอ้โหแ้วอย่างนี้ถ้าเราไปนิพพานไปแล้วอ่ะมันจะมิมิยิ่งแยกกว่านี้เหรอจะยิ่งไม่เคารพกันยิ่งไม่ให้เกียรติกันหรือว่าจะยิ่งอะไรอ่ะแบ่งแยกยิ่งหอบผวงกันหนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเกิดทำมาสังเวททำมาสังเวชสังเวทนี่คือ มันเหมือนอย่าง ก, กับสลดใจเหมือนกับโปรงอนะ่ะบอกโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเมื่อราตีสว่างแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเราภิกษุฉับพักคีล่วงหน้าไปก่อนแล้วแล้วเกียรติกันสถานที่เสนาสนะไว ไม่ได้เอื้อเฟื้อแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระจริงหรือนะสังเกตดูนะขณะผู้เจ้าท่านฟังความจากภาษาดิบุตรมาแล้วนะว่าภาษาดิบุตรเล่าความจริงให้ฟังอย่างงี้แล้วแต่ไม่ใช่อยู่ดีดท่านก็เอาเลยไปซัดตูมตูมตูมตูมไม่เลยขนาดฟังมาแล้วเนี่ยท่านก็ยังมาถามอีกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมานั้นจริงหรือเปล่าคือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่คิดไม่ไม่ใช่ว่าจะว่าใครก็ว่าง่ายๆ ไม่ใช่ฟังความมาข้างเดียวตอนนี้ฟังข้างเดียวอยู่ใช่ไหมฟังแค่ภาษาลีบุตรบอกมาเท่านั้นเองทงั้งๆที่อาจจะมาก็ว่าผู้เจ้าท่านก็เชื่ออยู่แล้วแ่ะแต่ให้เห็นถึงความรอบครอบให้เห็นถึงความที่อะไรอ่ะมีพยานหลักฐานมีอะไรที่ชัดเจนที่ยืนยันได้ท่านถึงมาถามซ้ําอีกว่าจริงหรือเปล่าเรื่องเป็นอย่างงี้งงงงเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเลย ในการที่จะตำหนิในการที่จะว่าะไรใครลงไป น, นก็หวังว่าพวกเราจะเรียนแบบบ้าง น, นะก่อนที่จะว่าะไรใครก็โปรดฟังหลายๆหลายๆปากนะฟังหลายๆปา ก, นะาาปากโดยเฉพาะอย่าฟังเฉพาะปากที่รับกับหูเราเท่านั้น <c oughs> นะปากที่รับกับหูเราหมายความว่างไงฟังจากพวกประเภท กรุบเดียวกันน่ะกรุบเดียวกันนะนนะหรือแก๊งเดียวกันเท่านั้นนะ่นะพอแก๊งอื่นกรุบอื่นยิ่งโดยเฉพาะประเภทคนละสายกับเรานะไม่ใช่สายว่าสายบ้านนะแบบว่าสายลงครัวสายตึกขาวสายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟังดูซิฟังหลายๆสายด้วยไม่ใช่ฟังเฉพาะในหมู่พวกเรานั้นเพราะบางทีสายเดียวกันก็คิดอย่างเดียวกันใช่ไหมแต่สายอื่นบางทีเขาไม่ได้คิดเหมือนกันนี่ เขาคิดอีกอย่างหนึง่งบางทีมันคนละมุมเลยตรงข้ามนันก็ยังมีเลยเพราะเราลองฟังดูหลายๆสายดูกัน mm. เพื่อที่จะแบบว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เชื่ออะไรแบบมุมมองมุมเดียวจริงๆแล้วเราจะได้เออมองต่างมุมได้เห็นหลายๆมุมเรายิ่งเห็นหลายมุมเนี่ยความรอบคอบแล้วก็การตัดสินใจโอกาสจะผิดพลาดได้น้อยน้อยกว่าที่เราเนี่ยจะมองอะไรเพียงมุมเดียวแล้วก็ทางเดียว นี่พอถามไปเสร็จใช่ไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงพระเจ้าข้าพิสนะูจน์อื่นๆก็รับว่าจริงเรื่องนี้ดังนั้นพระองค์จึงทรงติเตียนพระฉับพระคีกับลูกศิษย์แล้วตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครหนอย่อมควรแก่อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศก้อนข้าวอันเลิศ ภิกษุผูเ้เจ้าถามเลยพอตําหนิไปว่าทําอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ถูกต้องใช่ไหมไม่ควรใช่ไหมท่านก็ถามเลยเอาอย่างนี้เสนาสนะเนี่ยที่พักเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยไปไหนด้วยกันหรือมีนัดที่ไหนด้วยกันก็แล้วแต่นะผู้ที่จะเหมาะกับที่พักอาศัยอย่างดีนะควรได้การบริการน้ําอย่างดีนะแล้วก็อะไรแล้วก็ข้าวอาหารอะไรอย่างดีให้เนี่ย ผู้ที่ควรจะได้รับบริการอย่างดีกว่าคนอื่นนี่ควรจะเป็นพวกไหนควรจะเป็นใครหรือมีคุณสมบัติอย่างไงถึงควรจะได้ข้าวอันเลิศน้ำอันเลิศเสนาสนะอันเลิศเอาเอาฟังดูนะคราวนี้ดูนะพ อ, พอพอผู้เจ้าถามภิกษุไปภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่แบบว่าผู้เจ้าท่านคุยอยู่ด้วยเนี่ยพอถามไปปุ๊บภิกษุเหล่านั้นก็ตอบเลยภิกษุบางพวกกราบทูลว่า ผู้บวชจากขัติยะตระกูลน่ะควรจะได้หมายความว่าไงผู้ที่บวชมาจากอะไระบวชมาจากพวกสายเชื้อสายกษัตริย์พวกอะไรพวกนี้นะบอกว่าพวกหน้าควรจะได้ที่อันเลิศได้น้ำอันเลิศได้ข้าวเลิศบางพวกกราบทูลว่าผู้บวชจากตระกูลพรรมนะควรจะได้อ บางพวกกราบทูลว่าผู้บวชจากตระกูลขล้าหาบดีดูนาะนี่สามแล้วนะสามพวกนะอีกพวกหนึ่งกราบทูลว่าต้องเป็นพระวินัยทอคราวนี้นะเริ่มแล้วนะต้องเป็นพระวินัยทอย ถ, ถึงจะควรได้พระวินัยทอนนี่คืออะไระผู้ที่ ทรงพระวินัยนะรู้ในเรื่องวินัยอย่างดีอะไรเงี้ยผู้ผู้ผู้นี้แหละควรที่จะได้น้ำอันเลิศข้าวอันเลิศที่อันเลิศหรือไม่ก็ต้องเป็นพระธรรมกถึกนะนะเริ่มไปแล้วนะหรือเป็นท่านผู้ได้ปฐมฌานนะหรือได้ทุติยฌานได้ตาติยฌานหรือจะ จ, ะจะตูตาทาาัทฌานเวยงายว่าผู้ที่ควรจะได้ที่อันเลิศพวกนี้จะต้องพวกที่ได้ฌาน นะหนึ่งถึงสี่เนี่ยนะอีกพวกหนึ่งกราบทูลว่าต้องเป็นพระโสดาบันต้องเป็นพระสกิทาคามีต้องเป็นอนาคามีต้องเป็นพระอาหารหันต์นะหรือว่าเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีวิชาสามจำได้ไม้มวิชาสามอาุปเพรนิวาสานุสติยานจุตูปปตาตยานอาสวัคยาญาณเนีนะ่ย หรือว่าท่านที่เป็นอภิญญาหนะนี่นก็บอกว่าเนี่ยต้องเป็นพวกพวกพวกเนี้ยพวกที่มีญานมีชานมีอะไรต่างๆ น, นะย่อมควรแก่อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศก้อนข้าวอันเลิศเนี่ยพวกพิสูุก็บอกโอ้โหแสดงว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะพิสูจทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ควรได้ของอันเลิศตามความชอบใจของตนตามนั้น แสดงว่าสางคนเนี่ยคิดว่าควรจะได้ยังไงก็บอกไปตามภูมิหรือว่าตามความชอบของตัวเองพระาศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหมู่สงฆ์ผู้ควรแก่ของอันเลิศในาศาสนาของเราจะต้องเป็นดังที่พวกเธอทั้งหลายกล่าวประมาณมาก็หาไม่แสดงว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี่พระเจ้าถือว่า ถือว่าไงถือว่าไม่ใช่ะนะที่กล่าวมาทั้งหมดนะบอกว่าคนที่จะควรได้เสนาธนะอันเลิศน้าอันเลิศข้าวอันเลิศเนี่ยอย่างนั้นนะ่ไม่ใช่แค่อย่างนั้นโดยที่แท้ในศาสนานี้ควรกระทำการอภิวาทการลุกครับการอัญชลีและสามีจิกรรมตามผู้แก่กว่าและควรได้อาสนะอันเลิศน้าอันเลิศ ก, ก, ก้อนข้าวอันเลิศ ตามผู้ที่แก่กว่านี้เป็นประมาณในศาสนานี้ผู้เจ้าเอาแค่นี้เองพวกฟิสูทั้งหลายเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เอาสูงเลยนะเอาสูงเลยนะ <c oughs> ว่าแม้ต้องนูน่นต้องนี่ต้องแหมอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแ ย, ยะเลยนะต้องแบบมีชานมีญานเป็นโสดาส ก, กิทาเป็นอะไรต่ออะไรแต่ผู้เจ้าเอาแค่ว่าแก่กว่าบอกว่า <c oughs> ถ้าแก่กว่าเท่านั้นเองก็ควรได้รับแล้วถ้าเอาแค่นี้เองถ้าไม่เอาถึงกับโอ้โหต้องสูงอะไรมากมายฮนะหรือว่าจะต้องเป็นลูกกษัตริย์มาอะไรเงี้ยเป็นลูกขา้าราชการดีมาบวชอะไรเงี้ยท่านไม่เกี่ยงทั้งนั้นนะ่นะจะเป็นลูกเต้าเราใครมาก็แล้วแต่ถ้าแก่กว่าคำว่าแก่กว่านี้เข้าใจหรือเปล่าฮ ะ, ะนั่นน่ะสิคำว่าแก่กว่านี้เข้าใจปะ อ่ า, อาเดี๋ยวฟังต่อนะ่แล้วเดี๋ยวจะถามเพราะฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บัดนี้สารีบุตรอัครสาวกของเราผู้ประกาศธรรมจักตามเราควรได้เสนาสนะติดกับเราแต่สารีบุตรนั้นเมื่อไม่ได้เสนาสนะจึงต้องนั่งต้องจงกรมอยู่ที่โคนไม้ตลอดลาตีนี้นี่แหละเธอทั้งหลายไม่เคารพไม่ยำเกรงผู้แก่กว่า แต่มีความประพฤติไม่เข้ากันได้อย่างนี้เมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปจะมียิ่งเข้ากันไม่ได้ยิ่งกว่านี้หรือมันแก่กว่านี่หมายความว่าไ ง, อ, งอ่าฮะนี่อะไระนี่เอาคุณธรรมอ่าแล้วมีอะไรอีกแก่กว่าจริงๆมีอยู่สามอย่างแก่กว่าอะไรบ้างสามอย่าง หนึ่งวัยวุฒินะแกทางทางอายุนั่นเองทางทางอายุทงทั่วทั่วไปเนี่ยวันเดือนปีพวกนี้นะวัยวุฒิอ้าวสองอแกทางคุณธรรมสามแกภาษาฮะ ก็วุฒินั่นแหละวุฒินั่นแหละก็แก่กว่าทางทางอะไรอะ่ะทางหลก็กีเนี่ยข้อที่สองอะ่ะทางคุณธรรมนั่นแหละก็แก่ทางวุฒิอยู่แล้วนะแต่วุฒินี่มันมี2 อ, อย่างไงวุฒิทางโลกใช่ไหอย่างเช่นเป็นนายกเป็นผู้ว่าเป็นครูเป็นอะไรใช่เป็นเป็นตำแหน่งทางโลกใช่แต่ถ้าทางธรรมเราก็ต้อง อ, อะไรทางธรรมก็ต้องเป็นผู้บวชก่อนเป็นพันเตอันนี้ก็ก็ถือว่ารวมอยู่ในแก่ทางวุฒิแต่อีกอันนึงคือข้อที่3ใช่คือแก่ทางโดยชาติโดยกันเนิดที่ที่ภิกษุบางรูปท่านบอกว่ า, าบวชเป็นามาจากลูกกษัตริย์มาจากลูกเสนา บ, บดีมาจากลูกอะไรต่ออะไรเนี่ย นะอันนั้นโดยชาติมันแก่กับการเนี่ยมีอยู่สามอย่างแต่ถ้าโดยทางรมเราเนี่ยความแก่กว่าเราถือจากอะไระถือจากคุณธรรมนะแต่คุณธรรมนี่น ะ, ะเราเอาอะไรก่อนละ่ะคุณธรรมเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาสูงนะบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ก็มีพิกษุ์ที่ท่านพูดว่าต้องเป็นโสดาสกิทานาคาอะไรมาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ได้เอาที่ตรงนั้นเพราะนั้นท่านไม่ได้หมายความโโหไปลึกถึงขนาดนั้นถ้าเอาลึกถึงขนาดนั้นนะผู้ที่ผู้ที่ไม่มีอะไรสูงสูงเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้อะไรสูงสูงนี่ยนะแต่บวชนานแล้วนะไปที่ไหนแย่แน่เลย ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดบวนมาทีหลังแล้วก็มีคุณธรรมสูงกว่าใช่ไหมก็หมดโอกาสเลยพู้เจ้าท่าไม่ได้เอาอย่างนั้นเหมือนกับยกอย่างนี้ยกตัวอย่างเอาแค่เนี่ยแหละจากความเป็นจริงของเราเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นศาลาฉันกันเนี่ยเราวัดแบบคุณธรรมโดยปรามาทเลยหรือเปล่าเปล่า ก็ไล่พันเตไปนั่นแหละหนะไล่ลำดับไม่ใช่ไล่พันเตเฉยๆนไล่ลำดับพันเตไล่ลำดับพันเตนเดี๋ยวพูดไม่ครบเดี๋ยวแย่เพราะฉะนั้นจะให้เห็นว่าไม่เกี่ยงมันเราถือคุณธรรมแรกเนี่ยเราถือจากการที่ผู้ที่บวชก่อนนะผู้ที่บวชก่อนเราถือว่าผู้นั้นพบธรรมะก่อนแล้วนะได้ธรรมะก่อน เราถือว่าอันนั้นอันนั้นก่อนเป็นประเดิมถือว่าอันนั้นก่อนแล้วก็เริ่มนับอายุเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชเราถึงได้เรียกว่าเหมือนกับทวิชาตทวิชาตคือชาติที่สองนะเราถึงได้ถือว่าชาติที่สองเพราะนั้นเกิดเป็นฆราวาสก่อนนี่นะเรานับอายุไปแบบฆลาวาสแต่พอมาบวชเมื่อไหร่ปับ๊บนี่คือการเกิดใหม่ทันที เป็นการเกิดชาติที่สองทันทีนะเป็นทวิชาติคือชาติที่สองพรเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับลูกไก่ใช่ไหมเหมือนกับไก่เนี่ยไข่ออกมาปับ๊บใช่ไหมนี่เป็นการเกิดครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับคนทั่วไปเกิดครั้งแรกแต่ยังอยู่ในไข่อยู่อยู่ในเปลือกเปลือกเปลือกไข่เนี่ยยังหุ้มอยู่พูดง่ายๆว่ายังอะไรยังอยู่กับอยู่ในเปลือกก็สิเปลือกนี่เปรียบเหมือนกับอะไรล่ะหุ้มอยู่ โลกโลกีนี่มันยังห่อหุ้มอยู่ใช่ัหมต่อเมื่อเจาะกระเปาะไข่ออกมาได้เมื่ อ, อไหร่นะเป็นตัวออกมาเมื่ อ, อไหร่ถือว่าถือว่าคราวนี้ออกจากโลกีแล้วเข้าสู่เข้าสู่โลกทางธรรมแล้วนะหรือว่าเข้าสู่โลกกุจราลาแล้ววาะลูกไก่ตัวไหนเนี่ยเจาะกระเปาะไข่ออกมาก่อนปั๊บท่านถือว่าเป็นพี่เป็นเต้ยทันทีเลย เวลาบางทีพระเจ้าท่านอ้างท่านจะอ้างอันนี้ที่ท่านบอกกันเรานี่แหละนะเป็นพี่ใหญ่เงี้ยเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนกับลูกไก่ที่เจาะกระปอกไข่ออกมาก่อนคือคือเป็นภาษาสดานั่นเองเป็นผู้ที่สามารถจ ะ, จะหลุดพ้นกิเลสนะสามารถบรรลุธรรมก่อนแล้วก็คนอื่นสอนคนอื่นแล้วคนอื่นถึงตามมาอย่างเงี้ยท่านจะอ้างอันนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกันอันนี้พระเจ้าท่านก็เปรียบว่า ควรจะเคารพกันเนี่ยเคารพจากผู้ที่แก่กว่าหมายถึงเหมือนกับว่าผู้ที่เกิดก่อนนะซึ่งท่ายังไม่จะไปยกเอาสูงอะไรท่านเอาแค่ว่าใครบวชก่อนนั่นแหละก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดก่อนทันทีเพราะฉะนั้นเคยสังเกตไหมละ่ะที่แบบว่าเวลามาบวชปั๊บเนี่ยเขาถึงทิ้งชื่อฆราวาสเลยใช้ชื่อเปลี่ยนใหม่หมดใช่ไหมใช้เป็นชื่อพระเลยนี่แหละคือถือว่าเกิดใหม่ตั้งชื่อพระเลย มันชื่อเดิมเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าจบเลิกกันแล้วฝังไปเลยเพราะฉันชื่อที่เกิดใหม่ครั้งที่สองชาติที่สองนี่คือชื่ออย่างพระนี่นี่คือความแตกต่างกันตอนนี้พอพระเจ้าท่านก็ผู้ทหยฟัง น, นะบอกว่านี่แหละแสดงให้เห็นว่าภิกษุเนี่ยยังไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งกันและกันกับผู้ที่บวชก่อนหรือผู้ที่แก่กว่าใช่ไหม ท่านก็เลยเนี่ยสอนเลยคราว น, นี้ลำดับนั้นเพื่อต้องการจะประทานโอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็พากันคิดว่าข้อที่พวกเราไม่เคารพไม่ยำเกรงมีความประพฤติเข้ากันและกันไม่ได้นั้นไม่สมควรแก่พวกเราเลยพวกเราควรจะรู้ผู้ที่แก่กว่า แล้วก็ททำการอภิวาสแก่ผู้ที่แก่กว่านั้นยังทางไปเทวโลกให้เต็มอยู่พระเจ้าท่านบอกว่าขนาดสมัยก่อนเนี่ยนะสัตว์ยดริฉานตอนแรกอยู่กันเข้ากันไม่ค่อยได้เนี่ยยังมีความคิดเลยที่จะเห็นว่าเออมันไม่เข้าท่าหรอกอย่างนั้นน่าที่จะอยู่กันแบบมีความเคารพจำเกงกันดีกว่านะยังหาวิธีที่จะ เขาลบผู้ที่แก่กว่าเลยนะท่านก็บอกพอท่านพูดอันนี้ขึ้นมาปาั๊บแล้วก็ทรงนำอดีตชาดกดังมาเล่าดังต่อไปนี้เนี่ยี่เพิ่งจะเริ่มตัวชาดกนะแต่ชาดกสั้น